จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความฝันของพระราช า, าศาสดาพยากรตอนที่หนึ่งโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ นะบัดนี้่ะเดี๋ยววันนี้เอาชาดกมาให้ฟังเรื่อง ใช้ชื่อว่าความฝันของพระราช า, าศาสดาพยากรณบางคนอาจจะเคยอ่านมาแล้วบัางก็ได้นะแต่ก่อนนี้ท่านชาตะเคยทำเป็นเล่มหนังสือใช้ว่าอะไรนะพุทธธรรมนายถึไงเออนนแต่อันนี้อันนี้อาจามาเอามาจากตัวชาดกเลยเอาลองฟังดูแล้วกันอาจมาก็เขียน เขียนก่อนขึ้นมานำเรื่องก่อนความฝันของพระราช า, าศาสดาพยากรบ้านเมืองอาเพทเดือดร้อนยุคการก่อนหรือการนี้หมายถึงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของสมัยก่อนหรือเป็นเรื่องของยุคนี้ถึงแล้วหรือยังชื่อชาดกเ็าชื่อมหาสุบินชาดก สุบินก็แปลว่าความฝันเป็นราชาศัพ์นะสุบินแปลว่าความฝันมหาสุบินก็อะไรโอ้ความฝันที่ยิ่งใหญ่เยอะแยะเหลือเกินอลองฟังดูค่ำคืนหนึ่งณพระราชวังในแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จเข้าสู่นิทราลมครั้นตกดึกล่วงเวลาถึงปัดชิมยามแห่งราตี ปัดชิมยามคือเวลาไหนตีสองถึงหกโมงเชา้าคือคือใกล้จะสว่างแล้วล่ะตอนนี้ปรากฏว่าก็ฝันละได้ทอดพระเนตรพระสุบินนิมิตคราวนี้มีคําว่าสุบินแล้วก็มีคําว่านิมิตเข้ามาด้วยละถ้าพูดว่าสุบินสุบินเฉยๆเนี่ยก็แปลว่าความฝันเฉยๆแต่ตอนนี้มีนิมิตเข้ามาด้วย พ่อท่านเคยพูดถึงความแตกต่างระหว่างความฝันกับนิมิตว่าไม่เหมือนกันถ้าเป็นเฉพาะความฝันเนี่ยเกิดจากจิตคนเราฟุ้งซ่านคือคือคืออำนาจกิเลสทำให้ฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเป็นกิเลสกามกับฟุ้งไปะยะเชิงกามถ้าเป็นกิเลสโทสะกับฟุ้งไประะเรื่องความ ความแค้นเคืองความจริงช่างอะไรพวกนี้นั่นแหละก็แล้วแต่ว่ า, าวันนั้นน่ะไปสะสมอะไรไว้แล้วก็เลยจิ๋มกับฟุ้งไปอย่างเนี้ยเราเรียกว่าความฝันเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทดลองปรากฏว่าคนเราเนี่ยก็จับก็จับขึ้นสมองโอ้โหคนเราเนี่ยเดี๋ยวไอไอกราฟก็นะเดี๋ยวเต้นขึ้นเต้นลงเดี๋ยวเต้นขึ้นเต้นลง โอ้ฝันระยิบระยับเลยนะเพียงแต่ว่าคนเราไม่ค่อยรู้ตัวคือมันมีสองพวกน่ะพวกนึงหลับแบบไรสติเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องหลับอะไรไปมั่งก็ไม่รู้เรื่องวันถ้าคนที่หลับอย่างมีสติจะรู้ถ้าฝันก็จะรู้ออจะจะรู้ตัวเพียงแต่ว่ามีสติมากหรือว่าน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองส่วนอีกพวกนึงเขาวนี้ เราเราใช้คำว่านิมิตเนี่ยนะคือพวกนิมิตนี่มันมันก็เหมือนกับฝันนี่แหละมันก็เห็นไปะนะคื อ, ค, อคือหลับแล้วก็เห็นไปแต่ที่เขาใช้คำว่านิมิตเนี่ยพ่อท่านหมายความว่าคนนั้นไม่ได้มีกิเลสคือสภาวะตอนนั้นนะไม่ได้มีกิเลสเข้ามาครอบงำหรือเข้ามาจูงจิตไปแต่เป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะ ยานเป็นเหมือนกับผู้ที่ทีมันมันเป็นลางอ่ะเป็นเป็นอ่สิ่งบอกเหตุเป็นอะไรเงี้ยทำให้เออมันมันมันนึกมันคิดไปตามเหตุการณ์หรือตามสภาพที่จะเกิดขึ้นคือคล้ายๆว่าจิตถ้ามันไม่มีกิเลสเนี่ยจิตมันนิ่งจิตมันสงบบางทีอ่ะจิตมันมีพลัง อันเนี้ยทำให้บางทีเนี่ยมันรู้ที่เราเรียกว่าอนาคตังสยานบ้างคือคือยานที่รู้ไปในอนาคตบ้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยิ่งไม่มีกิเลสมากเท่าไหร่อิมิตก็ยิ่งชัดเจนมากเท่านั้นเหมือนกับเปิดทีวีแล้วไม่มีคลื่นรบกวนจะเห็นภาพชัดนะทั้งภาพทั้งสีทั้งเสียงมาหมดครบนั่นแหละอันเนี้ยก็เรียกว่านิมิต วันในที่นี้เนี่ยใช้คำว่าสุบินนิมิตนะก็เพราะฉะนั้นเป็นความฝันที่ฝันแบบเป็นนิมิตอ่านิมิตก็คือเป็นเป็นลางบอกเหตุนั่นเองนะแปลนิมิตง่ายๆก็คือเป็นลางบอกเหตุเป็นยังไงข้อนี้คือนิมิตนี่จริงๆบีทั้งดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นภาพความจริงแบบไหนท่นนี้ได้ทอดพระเนตรพระสุบินนิมิต มากมายถึงสิบหกเรื่องคืนเดียวคืนเดียวฝันเป็นนิมิตเนี่ยสิบหกเรื่องเลยซึ่งล้วนแล้วแต่น่ากลัวทั้งสิน้นจึงทรงตกพาไทยตื่นจากบรรทมพร้อมกับทรงดังริว่าเราเห็นภาพความฝันที่น่ากลัวเหล่านี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแก่เราบ้างไหมหนอคือคนเราเนี่ยถ้าฝันอะไรที่ที่ไม่ค่อยดี ยิ่งคนที่เชื่อถือเรื่องพวกเนี้จิตใจไม่เป็นสัาเลยละเขาเนี้ยจะวิตกกังวลจะกลัวโน่นกลัวนี่หรือใครเนี่ยไปให้หมอดูทายมาอะไรเงี้ยนะจะตายเมื่อนั่นจะตายเมื่อนี่ปีโน้นปีนั้นอะไรจะเคาะร้ายจะอุบัติเหตุจะอะไรโอ้ยยิ่งไปเชื่อไปเป็นอุปทานนะเชื่อคำหมอดูเอาละเขาเนี้ยแหละ กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับหลับก็ฝันมันจะเกิดอาการเลยหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะพระราชาเนี่ยโอ้โหพอฝันไม่ค่อยดีอย่างยีใช่ไหมก็เลยเอมจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าทรงบังเกิดความสะดุ้งกลัวต่อความตายกลัวตายเลยนะไม่ใช่กลัวธรรมดากลัวว่าโอ้โหฝันจังเยอะจังแยะแล้วเรื่องไม่ค่อยดีเลยเนี่ยอะไรอ่ะมันจะตายหรือเปล่าอย่างเี้ย นันเพราะนั้นก็เลยที่จริงนอนอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยถึงกับประทับนั่งตัวแข็งอยู่บนแท่นพระบรรทมนั่นเองพูดง่ายว่าโอ้โหกลัวดีไม่ตัวสันน่ะนะนั่งตัวแข็งอยู่บนที่นอนนั่นเองจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มปรากฏแสงสาดส่องพูดง่ายอ่ะก็ก็ก็ฝันจนกระทั่งใกล้เช้าอยู่แล้วแหละนะจนกระทั่งก็นั่งตัวแข็งจนเช้าเลย รุ่งเช้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงรับสั่งกับพวกพราหมณ์ปุโรหิตคําว่าพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยหมายถึงพราหมณ์ที่เป็นที่ปรึกษาของพระราชาบางทีก็เป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์สอนให้ด้วยนั่นก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าพอเช้าใช่ไหมพวกพราหมณ์เหล่านี้ก็มาเข้าเฝ้าพระราชาก็เลยถามท่านอาจารย์ทั้งหลายเมื่อคืนนี้เวลาใกล้รุ่ง เราฝันร้ายเห็นเป็นเรื่องราวถึงสิบหอย่างทําให้รู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักแล้วก็ทรงเล่าความฝันเหล่านั้นให้พวกพราหมณ์ฟังพอได้ฟังจบนะพวกพราหมณ์ฟังจบแล้วน้าสิบหกเรื่องแต่พวกคุณยังไม่ได้ฟังแต่พวกพราหมณ์ฟังแล้วสิบหกเรื่องพราหมณ์ทั้งหลายต่างพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระสุบินทั้งหมดนั้น ร้ายกาดน่ากลัวนักจะก่อเกิดอันตรายถึงสามอย่างขึ้นคือหนึ่งอันตรายแก่ราชสมบัติสองอันตรายคือโรคเบียดเบียนสอันตรายแก่พระชนจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พระองค์พระเจ้าค่ะเอาละสิพอพราหมณ์เนี่ยฟังความฝันสิบหกเรื่องนี้แล้วบอกเลยจะเกิดเหตุกับพระราชาเนี่ย สามสถานสถานใดสถานหนึ่งคือหนึ่งอาจจะเสียราชสมบัติอ่าสองอาจจะเกิดประชวนเกิดโรคภัยเบียดเบียนสามคือสิ้นพระชน <uld ams> นั้นถึงชีวิตเลยโอ้โหพอพระราชาได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมก็ยิ่งกลัวใหญ่สีเพราะกลัวตายอยู่แล้วอะตอนเนี้ย ก็เลยถามและพวกท่านพอจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรขอเดชะพะัศบินเหล่านั้นร้ายแรงยิ่งนักแต่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอแก้ไขได้เพราะหากพวกม่อมฉันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วชื่อว่าผู้รู้สำเร็จการศึกษามาจะมีประโยชน์อะไรคือคือคื อ, คอพูดง่ายว่าก็ยกตัวเองหน่อย น, นะว่าอ้า แม้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอะไรต่ออะไรมาแม้ถ้าแก้ไม่ได้ก็เสียชื่อ น, นั่นเองก็เลยบอกพระราชาอย่างนี้ดีละถ้าอย่างนั้นจะต้องทําอย่างไรเล่าจึงจะพ้นภัยได้ข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ต้องจัดพิธีบูชายันด้วยชีวิตสัตว์ทุกชนิดอย่างละสี่ตัวพระเจ้าค่ะ โอ้โหนี่คือแบบของพราหมณ์เขาซึ่งเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษามาอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้นะเขาก็เลยบอกอย่างนี้ว่าต้องจัดบูชายันบูชายันก็คือเอาสัตว์มาฆ่านั่นเองนะบูชาให้พระเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่พระราชาก็เลยบอกว่าเอาเถิดถ้าต้องทำอย่างนั้นเราขอมอบชะตาชีวิต ไว้ในกำมือของพวกท่านแล้วจงรีบกระทำความปลอดภัยให้แก่เราโดยเร็วเถิดพวกพราหมณ์พากันร่าเริงยินดีขึ้นมาทันทีทำไมถึงดีใจ <c oughs> ทำไมพวกพราหมณ์ดีใจที่จริงน่าจะเสียใจนะโอ้โหพระราชามีเพศภัยเหลือเกินใช่ไหมแต่พอพระราชาบอกเอา้ารีบแก้ไขนะเราจะได้พ้นภัยโอ้ดีใจใหญ่เลย ก็มีเลสนัยอยู่แล้วนะที่ดีใจเพราะว่างานนี้พวกเราจะต้องได้รับมากจะต้องได้ของขอบเคี้ยวมากแน่นอนเพราะว่าจะจัดพิธีบูชาญาณใช่ไหม ก, ก็จะได้ไอันนู่นได้ไอดนี่มาละจะต้องการอะไรก็บอกไปใช่ไหมพระราชาก็ต้องพระราชทานให้ทั้งกันแหละเพราะนั้นก็เลยดีใจที่ แล้วพวกพราหมณ์ก็ออกจากพระราชวังตระเตรียมหลุมบูชายันที่นอกพระนครจับสัตว์สีเท้านานาชนิดมาอย่างละสีตัวมัดไว้ที่หลักบูชายันจับฝูงนกและปลาอีกจำนวนมากอย่างละสีตัวจนมีฝูงสัตว์เนืองแน่นเต็มลานบูชายันทำไมต้องเอามาอย่างละสีตัวอาตมาก็ไม่รู้นะ ว่าทำไมต้องเอามาอย่างละสี่ตัวรู้แต่ว่าพระเนี่ยถ้าไปงานไหนไปสี่รูป <c oughs> ไปงานศพรู้แต่อันนี้เพราะฉะนั้นคือคือคือคือที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะใช้สีเข้าใจไหมเป็นคู่ไงใช่เป็นคู่ใช้สีอัตมารู้แต่อันนี้ก็เลยนึกเดาของพราหมณเขานะว่ า, าเออก็คงจะเกี่ยวกับเรื่อง ความตายเรื่องอะไรพวกนี้เพราะาจะเอาสัตว์มาบูชาก็เลยต้องเอามาอย่างละสี่หรือว่าไม่รู้นะจะบูชาอา่บูชาทิศทั้งสี่หรือเปล่าถ้าให้เดานะบูชาทิศทั้งสี่หรือบูชามันจะมีของเขาจะมีเทพมีอสูรมีอะไรอะ่ะเขาคือเขาจะมียักษ์มีมารมีอะไรต่างๆนี่นะอยู่สี่ทิศของพวกพรามเขาเนี่ย เขาก็จะบูชาอะไรพวกนี้ของเขาหรือเปล่านะอันนี้เดาเดาเพราะในที่นี้เขไม่ได้บอกไว้ว่าทําไมต้องเอาอย่างละสี่ตัวอือาเซนะตอนนี้ก็โอ้โหผงสัตว์ก็เต็มลานบูชายันเลยนะแต่ก็ยังหามาอีกเพราะงานนี่งานช้างอะ่ะระดับพระราชานะเพราะฉะนั้นโอ้โหจะให้พ้นภัยเนี่ยใช่ไหมต้องเอาสัตว์มาเยอะ นันก็เลยเต็มเต็มที่ตอนนี้ภายในพระราชวังเมื่อพนางมันลิกาเทวีพนางมันลิกาเทวีนี่ก็เป็นประเมสีของพระเจ้าประสันที่กศลทรงทราบเหตุการณ์นั้นแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีกราบทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกพามพากันเที่ยวสแสวงหาสัตว์ต่างๆควักไควกันไปมามีเรื่องอะไรหรือเพคะ พอถามถามพระราชาใช่ไหมนี่แนะ่นางผู้เจริญเธอมัวแต่สุขสบายพระราชาต่อว่า <c oughs> นี่แนะ่นางผู้เจริญเธอมัวแต่สุขสบายจึงไม่รู้ว่าอสารพิษร้ายเลื้อยมาอยู่ใกล้ตัวพวกเราแล้วเราฝันร้ายถึงสิบหกเรื่องพวกพราหมณ์ทำนายว่าอันตรายร้ายแรงจะเกิดแก่เราฉะนั้น เพื่อกำจัดอันตรายเหล่านั้นจึงต้องจัดพิธีบูชายันสัตว์ทั้งหลายพวกพรามจึงพากันวุ่นวายไปหมดต่อว่าต่อขานหน่อยบอกแหมฉันจะแย่อยู่แล้วพวู้าภาษาชาวานฉันจะแย่อยู่แล้วแม้เธอมัวสบายอยู่เนี่ยนะไม่รู้อิโนโอิเนอะไรเลยนะก็ต่อว่าแบบแบบภาษาชาบ้านไปนอย่างนี้แต่นี้พอพระนางมดิกาเทวีใช่ รู้ ร, รูเรื่องชัดเจนแล้วกรณีเป็นเช่นนี้นี่เองเกิดเหตุถึงเพียงนี้ทีเดียวก็แล้วทูลก็หม่อมได้ทูล ถ, ถามถึงการแก้ไขความฝันกับยอดพราหมณ์ในโลกนี้แล้วหรือเปกาถามเลยที่รีบมาเนี่ยจริงๆพอรู้เรื่องอยู่แล้วแหละเอ่ไหแต่รีบมาเพื่ออะไรเออเพราะพนางมาริกาเทวีเนี่ย เชื่อใน ค, อคือศึกษาแล้วก็เชื่อในพระศ า, าสดาเชื่อในผู้เจ้าเนี่ยมากนะเพราะฉะนั้นยิ่งจะมีพิธีโหบูชายันเนี่ยจะฆ่าสัตว์เป็นจํานวนมากเพราะฉนั้นโอ้ไม่ได้ละต้องรีบมาเลยแม่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าแล้วพระองค์เนี่ยไปถามยอดาพามในโลกแล้วหรือยัง <c oughs> พระราชาทรงสดับก็ฉนบนฉนบนประทศไทย จึงตัดถามว่ายอดพาราหมณ์ในโลกนี้เป็นใครกันเล่าคืองงยอดพาราหมณ์เป็นใครอ่ะชื่อหรือเปล่าใครชื่อยอดพาราหมณ์หรือเ่าตอนนี้พระนางมา ร, ารินาก็เลยบอก mm hmm. ทุนก็มอมไม่ทรงรู้จักมหาพาราหมณ์โคโดมผู้เป็นตถาคตหมดกิเลสบริสุทธิ์แล้วเป็นพระสัพพัญยูผู้เลิศในโลกนี้ mm hmm. ดอกหรือเพคะ <laughs> จริงๆ ร, mm hmm. รู้อยู่อ่ะแต่คิดว่าคงเพราะตอนเนี้สภาวะจิต ไม่ปกติอะนะทั้งหวาดกลัวทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยพอนั้นพอเจอคำถามยอดพรามเข้าไปงงเลยแม้พอพระนามาริกาบอกอย่างนี้เนี่ย่าไม่รู้เหรอว่าก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงทราบเหตุแห่งความฝันเหล่านั้นแน่นอนขอเชิญทูลกระหม่อมเสด็จไปถามเถิดเปกกก็อบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกผู้เจ้าอ่ะให้ให้ให้รีบไปถามเถิด พระราชาทรงดีพระไทยตอบ ร, รับทันทีจริงด้วยเราลืมไปดีระเทวีเราจะรีบไปคือก็ก็ศรัทธาพรธเจ้าอยู่แต่ลืมคิดไปอ่ะคราวนี้พอนึกได้ว่าโอ้โหจะรีบไปละแล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาโดยไม่รอช้าพอถึงพระวิหารพระศาสดาทรงปฏิสันทานว่ามหาบอพิษเหตุอะไรเล่าจึงเสด็จมาตอนนี้ เรากับมีราชกิจด่วนยิ่งนักคือไม่ใช่เวลาปกติไงจริงๆอ่ะอาจจะแบบว่าทรงเสวยทรงอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ค่อยเสด็จมาไงแบบสบายๆแต่คราวนี้ใจร้อนละเพราะว่าโอ้โหถึงขั้นถึงขั้นตายพูดง่ายแเพพอจากนั้นรอไม่ไหวอ่ะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ทรงเสวยเลยนะรีบมาเลยรีบมาถามเลยอันนี้พอผู้เจ้าท่านทรงทักใช่ไห ก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใกล้รุ่งวันนี้มอมฉันฝันร้ายมากมากมายถึงส6เรื่องน่ากลัวยิ่งนักพรามทั้งหลายทำนายว่ามอมฉันจะมีภัยต้องทำพิธีบูชายันด้วยสัตว์นานาชนิดอย่างละสี่ตัวจึงจะพ้นภัยได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดทำนายผลแห่งความฝันของ ม, ม่อนฉันด้วยเถิด เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้รู้ทั่วถึงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> คือพูดง่ายๆว่ากดยกย่องพระเจ้าอยู่ <c oughs> เชื่อถืออยู่นะเพราะฉะนั้นขอให้พระเจ้าทานายเลยซึ่งจริงๆปกติเนี่ยพระเจ้าทานายเนี่ยหรือพยากรนะพยากรก็แปลว่าทำนายเหมือนกันคือพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำนายนะไม่พยากร ยิ่งถ้าเป็นแบบโรคๆเป็นแบบอะไรพวกนี้ไม่ทํานายเลยนะแต่คราวนี้บอกแล้วในที่นี้ใช้คําว่าสูบินนิมิตเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่มาทํานายฝันให้ชาวบ้านเพราะทํานายฝันให้ชาวบ้านนี่ถือว่าเป็นอะไรถือว่าผิดวินัยเลยนะเป็นพระนี่ถือว่าผิดวินยัยเพราะนั้นน่ยพระรูปไหนเนี่ยมาทํานายมาอะไรต่ออะไรไม่ใช่แต่ความฝันนะ ทำนายลายมือเป็นหมอดูเป็นอะไรต่ออะไรไปดูอะไรดวงไปดูอะไรให้ไม่ได้ทั้งนั้นแหะถือว่าผิดวินัยทั้งนั้นผิดศีลทั้งนั้นนะมันปกติผู้เจ้าท่านก็จะไม่ยกเว้นว่าท่านจะพยากรณ์เพื่อเป็นไปอะไรอะ่ะโดยทมเป็นไปเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อความสุขเพื่อสัจจะเพื่อ ประโยชน์ที่จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยมีธรรมะมากขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือโดยที่ต้องเป็นสัจธรรมด้วยนะไม่ใช่ไปทำนายแบบโกโหกเขาก็ไม่ได้ไใช่ไหมต้องต้องพูดคำสัตว์ต้องพูดคำจริงด้วยเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยพระเจ้าท่านกัพยากรเหมือนกับบางทีพยากรว่า อุบาสกคนนี้ตายแล้วนั้นก็จะได้ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นหรือว่าตายแล้วเป็นอนณาคามีเป็นพระอาหารหันต์อะไรอ่เงี้ย อ, อย่างเงี้ยท่านจะพยากรณ์ให้เพราะว่าจะสร้างศรัทธาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งเป็นความจริงเนี่ยให้กับคนอื่นคนคนที่มาปฏิบัติธรรมได้รู้ว่ามีอย่างนี้จริงๆนั่นแหละนั้นะท่านถึงจะพยากรณ์คือต้องเป็นประโยชน์ โดยทมด้วยอันนี้พอพระราชานี่ก็ขอให้ทำนายเป็นเนี่ยบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยโอ้โหเลิอดยอดรู้อนาคตอดีตปัจจุบันหมดเพราะฉะนั้นขอให้ทำนายเถอดผู้เจ้าท่านก็เป็นเช่นนั้นทีเดียวมหาปพิธในโลกนี้เว้นจากเถาคตแล้วไม่มีผู้ใดอื่นที่จะรู้ถึงเหตุรู้ถึงผลของความฝันเหล่านั้นได้เลย ตถาคตจะพยากรณ์แก่มหาปพิษจงตรัสความฝันทั้งหมดมาเถิดไม่มีคําว่าถ่อมตนท่านพูดตามจริงอะ่ะพูดตามตรงเลยบอกในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรู้ถึงเหตุถึงผลได้นอกจากผู้เจ้าเท่านั้นโอ้ใช่คํานี้เลยพูดง่ายา ก, กว่ากวาดคนอื่นในโลกนี้ทิ้งหมดเลยนะไม่เหลือใครไว้แ ม, ม้แต่ผู้เดียวโอ้โหกวาดทิ้งหมดเลย ถ้าถ้าคนไม่ศรัทธาคนที่ไม่เชื่อก็เนี่ยฟังแล้วอาจจะเแบ่เบ่ปากหน่อยนะเบอเบ่ปากหน่อยบอกว่าเฮ้ยยกยกตัวเองงี้ก็มีแต่ถ้าศรัทธาแล้วก็เชื่อถือจริงเนี่ยใช่ไหมตรงข้ามเลยไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกว่ายกตนนะกลับจะยิ่งศรัทธามากขึ้นว่าโอ้โหพระเจ้านี่ท่านรู้จริงและท่านรู้มาก รู้เกินกว่าใครในโลกนี้จะรู้ได้กับจะยิ่งเป็นตรงข้ามเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงดีพระทัยยิ่งรีบตัดเล่าความฝันของพระองค์ทีละเรื่องเอาล้วนะขานี้ฝันเรื่องที่หนึ่งโค อ, อุสุพ ร, ราชจะชนกันโค อ, อุสุพ ร, ราชหมายถึงหมายถึงอะไรโควัววัวโค <laughs> ก็คือวัว เออบางคนเนี่ยโคนึกว่าควายเพราะมันคอเหมือนกันเน่ยโคไม่ใช่ควายนะโคนี่วัวอ่าควายนี่กระบืออ่าฝันเรื่องที่หนึ่งโคอุสุภ ร, ราชจะชนกันอุสุภ ร, ราชเนี่ยแปลว่าวัวแบบที่เป็นจ่าฝูงเป็นหัวหน้าหรือเป็นวัวมงคลเป็นวัวชั้นยอดเขาถึงใช้คาว่า อุสุภราชนะอ่าอา่คือคือต้องเป็นบัวแบบชั้นเยี่ยมเลยเนี่ยนะถึงใช้คำว่าอุสุภราชถ้าบัวทั่วไปเขาจะไม่ใช้คานี้อ่อ า, าฝันเรื่องที่หนึ่งมอมฉันเห็นความฝันเรื่องที่หนึ่งดังนี้ว่ามีโคอุสุภราชสีตัวเหมือนดอกอัญ ช, ชันเป็นไงสีอะไรสีสีดอกอัญชันเป็นไง สีม่วงหรือสีอน้ำเงินหรือเขาเรียกอีกสีครามนะเนี่ยสีม่วงหรือสีครามหรือสีน้ำเงินนะมีเนี่ยมีบัวแบบชั้นเยี่ยมเนี่ยพูดง่ายนะสีเหมือนดอกอัญชันเนี่ยสี่ตัวต่างคิดว่าจะชนกันพากันวิ่งมาสู่ท้องพระรานหลวงจากทิศ ท, ทั้งสี่เมื่อมาหาชนเห็นเช่นนั้น ก็พากันคิดว่าพวกเราจะได้ได้ดูวัวชนกันวัวทั้งสี่ก็ทําทีทําท่าจะชนกันส่งเสียงคํารามลั่นแต่แล้วก็ไม่ชนกันต่างพากันถอยกลับไปอะไรเป็นผลของความฝันเรื่องนี้พระเจ้าค่ะตามทันนะวัวจะมาชนกันวัวสี่ตัวโอ้ ว, วัวชั้นเยี่ยมเนะีแสดงว่า เป็นบัวมงคลด้วยนะแสดงว่าจริงๆเป็นบัวที่ดีอ่าเป็นบัวที่ดีสี่ตัวทําทีทําท่าจะชนกันใหญ่เลยอุสาวิ่งกันมาแต่ไกลเลยนะพอจะชนกันเสร็จก็แบบแบบอะไรอเออเหมือนกับแทนที่จะชนกันอ่ะคือจะมาดูชนกันแสดงว่าจะขิดกันจะอะไรกันใช่ไหมแต่พอมาถึงใกล้ๆกันเนต่างก็ถอยกลับกันไปหมดไม่ยอมชน เนี่ย ก, ก็นึกไม่ออกส่วนพวกพราหมณ์ก็ว่าโอ้โหยุเรื่องเลวร้ยวายไปเลยพวกพราหมณ์ทำนายอาตานี้พอพูดเจ้านะเอาผู้อย่างรู้อนาคตท่านก็ท่านก็ตรัสว่ามหาบอผิดผลของความฝันเรื่องนี้จะไม่เกิดในสมัยของพระองค์ไม่เกิดในช่วงาศาสนาของตถาคตแต่ในการอนาคตภายหน้า เมื่อโลกมุนไปถึงจุดเสื่อมในยุค ข, ของพระราชาผู้กัมพรา้ามิได้ครองราชโดยธรรมและในยุค ข, ของหมู่มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอากุศลธรรมหนาแน่นในการที่โลกเสื่อมนี้เองฝนจะแรง้งข้าวกล้าจะแห้งทุกพิกขะเพยทุกพิกระเพยหมายถึงเออข้าวยากหมากแพ้นั่นแหละ จะเกิดหมู่เมฆก่อตัวขึ้นจากทิศทั้งสี่ฟ้าก่อแลบทำทีเหมือนจะให้ฝนตกแต่พอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเปลือกที่พึ่งแดดไว้เอาเข้าที่ร่มและพวกผู้ชายรีบถือจอบเสียมพากันออกไปเพื่อจะก่อคันดินเก็บกักน้ำเมฆฝนที่ตั้งเขาคลางกระหึ่มอยู่นั้นกลับไม่มีฝนตกจากนั้น เมฆก็ลอยหายไปที่เป็นผลความฝันของพระองค์ในเรื่องนี้แต่จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่พระองค์เลยเพราะจะเป็นภายในการอนาคตส่วนพวกพราหมณ์ที่ทำนายว่าจะมีภัยต่อพระองค์นั้นก็ทำนายเพื่ออาศัยเป็นการเลี้ยงชีวิตของตนเท่านั้นเองพระองค์อย่าได้วาดกลัวต่อประการพระองค์อย่าได หวาดกลัวแต่ประการใดๆเลยนะนี่คือฝันข้อที่หนึ่งคือพูดง่ายๆว่าฝันเรื่องนี้ประเด็นสำคัญก็คือไม่ได้เกิดในยุคของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกสลเพราะฉนั้นไม่ต้องไปกลัวภัยอันนี้นานี่นี่คือประเด็นที่หนึ่ง